บินทบาทพระสลืมตัวไม่รู้ตัวหะไรบางลายนะมันหมายทั่ทวไปตามันลักษณะไงก็เคยสอนแล้วนี่บินทบาทที่ว่าเป็นมัดเป็นข้อปฏิบัติของพระนั่นปดินยังไงนั่นก็ต้องบอกว่าทั้งรวมทั้งรวมอยู่แล้วคําว่าปฏิสันดีไม่เพียงแต่ฉันในบาทดูอยู่ในบาทบินทบาทก็ดูอยู่ในบาท ปฏิสัณยีปินดปาดตังรว่าไงมันเข้าได้ทั้งการปฏิบัติด้ยเป็นความทั้งรวมอย่าให้เห็นหน่ะกิริยาไม่น่าดูน่ะเธอเธอมองมองเหมือนคนไม่ไม่มีจิเหมือนพระครึกขนองเรื่องความคึกขนองก็ทราบแล้วว่ามันเป็นเรื่องอะไรเป็นมานของตัวเองมารของศาสนาคือเรื่องของกิเลสดื่มตัวน่ะผู้ปฏิบัติทำ ต้องเป็นผู้ไม่ดินตัวเสมอสติเป็นเครื่องกำกับความสวยงามของพระการเคลื่อนไหวของพระทุกอาการไม่ว่าภายนอกภายในจะเป็นไปด้วยสีทั้งนั้นดูบาทเจ้ของแล้วเคยพิจารณาอย่างไงจะพิจารณาเป็นท่าหรือเคยภาวนาอย่างไงก็ปฏิบตัติตามหน้าที่ตามเรื่องของตัวเองไปอย่างนั้น ดูในบาทอาหารเป็นอะไรบ้างตามที่ท่านอดไว้ในปฏิสังขาร จ, จะเป็นธาตุหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่จะพิจารณาเรื่องเป็นเรื่องของธรรมยินถึงนักียาไม่ดีเธอเธอมองๆแล้วมองนน่นมอง น, น, องนี่โลเลโลกเลแล้วยิ่งไม่น่าดูเลยนเะพราะเทศเนี่ยผ้า กาสาวพัทเนี่ยเป็นผ้าที่เยี่ยมที่เอกที่สุดอำนาจมากอย่างลึกลับอยู่ภายในตัวเพราะพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ครองผาากาสาวพัทนี่สีนี้ทั้งนั้นน่ะฟังที่ว่าพระพุทธพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์และพระสาวกอรหันละหันทุกๆพระองค์อีกเหมือนกันครองภ้ากาสาวพัทเนี่ย แล้วท่านนนี้เป็นผู้สิ้นกิเลสเลิศเลอหมดทุกๆุกพระองค์แล้วแล้วผ้าอันนี้ก็ครองท่านผู้เลิศเลยเพราะฉะนั้นผ้า น, นี้จึงมีอำนาจอยู่อย่างลึกลับเช่นอย่างการตาหนิติเตียนพระเจ้าประสงนี่ป ร, ระชาชนญาติโยมเขาเห็นอยู่ตาตาเขามีหูเขามีเขาทำไมจะไม่รู้ว่าเป็นความดีหรือความไม่ดีความผิดหรือความถูกของกิริยาแห่งพระที่แสดงออก แต่เขาไม่กล้าตำหนินิ่งๆเฉยๆก็เพราะเรื่องของผ้าเหลืองเป็นสำคัญมากทีเดียวนะเนี่ยอันนี้เราก็เคยได้ยินจนกินหมูมาแล้วแต่พราะอย่างยิ่งเพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจนั่นเน่ะเขาบอกว่าโอ้ยเล่นกับผ้านี่ผมไม่อยากเล่นนะวางท่านมีเรื่องอะไรแล้วพอผมหลีกผมจะหลีเอาผมผมไม่อยากเล่นถึงท่านผิดก็าตามผ้าเหลืองนั่นน่ะสำคัญเขาว่าเล่นกับผ้านี่ซวยอ่ะวางเขาวางอย่เลยนะ ผมได้ยินอันก็จริงเรายอมรับทันทีเพราะผ้าผ้าผ้าเหลืองเนี่ยสําคัญมากมีอำนาจมากลึกลับอยู่เพราะเป็นผ้าที่เคยครองพระพุทธเจ้าพระสาวอรหานที่เป็นผู้วิเศษม า, า น, น, นานแสนนานและทุกพระองค์ด้วยนะไม่ได้เว้นจะไม่ครองผ้ากาสาวพั์เนี่ยผ้ากาสาวพัดแปลว่าผ้ายอมฝาก ขึ้นยังแกนขนุนย่อมแกนขนุนส่วนมากนิยมกันย่อมนั้นแหละส่มากก็มีสีนี้ก็เป็นอารมณ์กันไปเป็นหลักธรรมชาติจริงๆก็ย่อมแกนขนุนย่อมกลับถึงขัาาาาาาน้าานาา น, นี้ว่าผาากาสาวพัดแปลว่าย่อมฝาดเป็นห่ักนี่สีผ้าลิผ้านี่เป็นเป็นสาคัญมาก เขาไม่อยากทำมิจิเทียนสําหรับพระสําหรับจัสนานี้คําว่าศาสนาศาสนาที่เขาไม่อยากจิเทียนก็เพราะศาสนานี้เป็นเพราะว่าคำหนังสอนของพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์สอนแบบเดียวกันหมดด้วยคือสอนด้วยความถูกต้องอย่านั้นกันหมดด้วยจึงมีมากมากคว่าศาสนาศาสนาศาสนารรมของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ มีเป็นแบบเดียวกันในสำหรับตรรมนักก็บอกว่าอย่างนั้นไม่มีองค์ใดที่จะสอนผิดพลาดคาเคลื่อนจากกันในหลักความจริงทั้งหลายแห่งธรรมเป็นอย่างนั้นพระท่านเอาเอาธรรมเหล่านี้มาสอนโลกมารื้อขนสัตว์โลกให้พ้นจากทุกข์และย่นวัฏฏวลนเข้ามาคือการเกิดจากเจ็บตายซึ่งเป็นของที่ยืดยาวหาประมาณไม่ได้เลยคือไม่มีที่ตั้งต้น และไม่มีที่สิทของเงื่อนปลายถ้าไม่มีธรรมนี้เป็นเครื่องตัดให้สั้นเข้าสั้นเข้าสั้นเข้าจนกระทั่งตัดให้ขาดนี่เป็นหลักธรรมที่ตายตัวดังที่เคยพูดแล้วเพราะฉะนั้นาศาสนธรรมนี้จึงเป็นธรรมประจําโลกมานานแสนนานเพื่อเหมือนกับยาและหมอแก้โรคกันเองถ้ามีแต่โรคอย่างเดียว โรคอย่างเดียวมัความชั่วไอ้ของแถลงกับโรคมันพันกันไปตลอดเวลานะมันติดพันกันไปอย่างนั้นที่จะทําให้กําเริบสืบษาได้สร้างวัตถุนมากเข้ามากเข้านิ่เราเยวกโรคกับที่เล่มันอันเดียวกันมันต้องมีหมอมียาคอยกํากับเพื่อให้ความบรรเทาและแก้โรคจนกระทั่งถึงโรคหายขาดก็เท่ากับตัดวัตวุนทางฝ่ายผู้เด็กก็เท่ากับตัดวัตวุนให้ขาดเช่นผู้สําเร็จ อรหัตภูมิแล้วเป็นผู้ที่ตัดขาดจากโรคแล้วนอกจากนั้นก็บาบางบำางมาอนักพระอนาคาพระสกิทาพระโสดากนิยานชนผู้มีบุญได้สร้างความดีเอาไว้เพราะหลักศาสนธรรมเป็นเครื่องพร่ำสอนแนวทางให้ดำเนินนนนี่เป็นหลักตายตัวมาดั้งเดิมด้วย ้ากาสวัสดนี่จริงเป็นสําคัญศาสนาธรรมจรึงเป็นสําคัญที่จะดูถูกอเอาเฉยๆเนี่ยมีก็เป็นบาปอย่างบมาก น, นี่แหละที่ญาติโยมประชาชนเขาเห็นพระเขาไม่อยากกำหนิทําหูหนวกตาบอดไปซะบ้างอะไรอย่างเนี้ยก็เพรเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่พระเนรนั่นผิดจริงแต่้าคเหลืองท่านไม่ผิดศาสนธรรมท่านไม่ผิดนี่นั่นแหละมันจะกระเทือนตรงนั้นอ่ะแล้วถ้า ขาดทุนล่ไปผลผลลบแก่ผู้ตําหนิก็ไปเป็นตรงนั้นทั้งๆที่ไม่มีเจตนาจะตําหนิผ้าเหลืองแหละมันก็เป็นได้ไม่ตั้งใจจะตําหนิศาสนาธรรมแต่มันก็เป็นไปได้มันเกี่ยวโยงกัน <c oughs> นี่เราก็อย่าลืมเนื้อลืมตัวหลังแา่ประชาชนญาติโยมเขายังขยะก ข, ขยงในเรื่องที่จะทําความก็ตกกระเทือนแก่ศาสนาธรรมและ ผ้ากาสาวพัดแต่เราเองผู้ครองผ้ากาสาวพัดไม่อายผ้ากาสาวพัดจะอายอะไรเนี่ยสัมพันธ์ตรงนี้ถึงตั้งใจปฏิบัติให้ดีชีวิตจิตใจเรามาสัมผัสสัมพันธ์กับผ้ากาสาวพัดกับวงศาสนานะว่าเรามีอำนาจวาสนาบุญญาปิสมาภานพอสมควรแล้วจึงได้มาครองผ้าประเภทนี้และได้รับอัตธรรมของพระเจ้าพราคุยบัติก็เหมือนอย่างที่ว่า คนเป็นจํานวหนหมื่นหื่นแสนแสนนั่นกับคนจํานวนสองสามคนคนจํานวนหมื่นหื่นแสนแสนไม่มีแต่โรคเต็มตัวแล้วไม่มีหมอไม่มียาเลยนะกับคนสองสาคนที่มีหมอและยาเป็นผู้ตามรักษาใครมีคุณค่าใครมีสาระต่างกันฟังสินี่แหละเทียบกันได้อย่างนี้ไม่มีนีัญหาเวลาเราได้มาบวชในศาสนาจึงให้พยายาม ประพฤตปฏิบัติตัวให้ดีแล้วเชื่อของศาสนาที่เป็นความดีงามให้เป็นเข้าประดับใจหากจะได้เปลี่ยนแปลงจากเทศอันนี้ด้วยความจำเป็นก็เรื่องภายในสิ่งที่เราจะพึงประพูดิปฏิบัติลึภายนอกก็าตามที่เป็นอยู่ในวิสัยของเราที่จะพึงประพูดปฏิบัติและบำเพ็ญได้ทาได้ให้เราพึงพยายามแลวอย่าปล่อยละเพราะอันนี้เป็นพื้นอันสาคัญที่จะ เป็นเครื่องบำบุงหรือ ส, สนับสนุนจิตใจให้ในเกาะได้อาศัยพอเป็นที่ร่มเย็นทำบิตฑบาดไม่ว่าในหมู่บ้านในที่ไหนก็เหมือนกันอย่าเดินเร็วจนเกินไปอันนี้เคยเตือนเคยสอนเสมออุ่นมึนยังยิบหากินน้ํา น, นึ่งอ๋อเยอะฮึูบ้างอ๋อ มาอยากอยากจัดดูดดูดูดูอ๋ออ๋ออ๋อเรียอะไรฮมีเสาขงแรงไุ่นไปลอยู land, ่คอยเฮาคนขอมาขว้เลยมเสาไปเฮาล่อเฮาไอ้นี่ต <|no|> ัวต้องท่นั่นพรได้ยินเสียงอัดยังทำออออลไอ้นี่ งานก็จะยุ่งนะพ่อคุณตาแล้วมันหนักมีนั่นแหละอย่างที่เราเห็นทุกๆปีแล้วพลาดอย่าลืมเนื้อลืมตัวตลอดทีดียาบทตลอดเวลาเพราะกิเลสมันมันไม่มีระคําว่าเผอตัวถ้าเราจะพูดถึงว่าเผอไม่เผลอกิเลสไม่มีความเผอตัวเพราะเป็นหลักธรรมาชาติซึ่งคล่องตัวมาภายในหัวใจของสัตว์โลกนานแสนนานแล้ว อธิบายในเรื่องปริยัสัตว์สี่ถึงพูดถึงเรื่องของทุกเนี่ยแหมแ่น่าสะก ด, ดต้องเว่มากนะอธิบายไว้ในปริยัตนะพูดถึงเรื่องความเกิดตายของสัตว์โลกนี่จนถ้าคนผู้ที่จะเหลือเชื่อก็ก็เหลือเชื่อจริงๆริงทันว่ะแต่ความจริงมันมันเลยความเหลือเชื่อไปซะอีกอันมากนั่นนะคือเรื่องความทุกข์ความเป็นมาของสัตว์โลกที่มีกิเลส อันเป็นยาพิษเขาเครือบแขงอยู่นี่เป็นมานานแสนนานจนไม่มีคำว่าไม่ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าตั้งต้นที่ตรงไหนนะนำสิหนั ะ, ตนนะแต่มีอีกข้อหนึ่งที่ว่าถึงไม่ทราบว่าพบชาติกองทุกข์ที่ตามพบชาติมานั้นตั้งต้นที่ตรงไหนก็ตามท่านว่าให้ทำเหมือนเนี่ยน้ำยอกเท้า อย่าไปถามหาสกุลน้ํมามาจากไหนจากไหนให้รีบถอดยิบถอนหัวน้นาออกทันทีแล้วใส่ยาเข้าไปป่าเท้าจะได้หายโดยไม่ต้องไปถามหาโคตรหาแท้ของน้นาแหละทันทะนี่ฟังสิเป็นข้อเปียบเทียบอันนี้แม้พบชาติของเราที่วันนานแสนนานจนไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าตั้งต้นมาแต่เมื่อไหร่นั้นก็ตาม หัว้ํามคือกิเลสให้รีบถอดรีบถอนยาคือความดีทั้งหลายให้ใส่เข้าไปทั้งเรืข้อเทีย่ยงของท่านเก่งล ะ, ล, ะละเอียดออนไหมซึ่งไหมให้รีบใส่ยาเข้าไปแล้วแผล น, นั้นก็คือภายในกี่จังเราที่ถูกหนามเลยแก่กิเลสเกียรแทงแนะั้นอ่ะจะค่อยหายไปหายไปแล้วก็ตัดภพชาติเข้ามาโดยลําดับลําดับจนกระทั่งถึง พบธาตุขาดไปทั้งทๆที่แต่ก่อนนะพบธาตุไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่าตั้งที่ตรงนั้นแต่ก็มาสามารถเผูะอํานาจแห่งความดีตัดพบธาตุลงได้ว่าสิ้นแล้วสิน้นสุดแล้วในการเกิดตายเพราะกิเลสสิน้นสูดไปด้วยอํานาจแห่งความดีในที่เทียบกับว่ายาพ่อหรือใส่ลงไปในแผลที่ฝ่าเท้านั่นฟังเอานี่ละ่ะ ยิ่งขนาดไหนหลวงพ่พระพุทธเจ้าได้ตรัสแล้วเอกนามกิณไม่มีสองคือไข่แปลว่าอะไรเอกนามกิณหนึ่งไม่มีสองคือพระวาจาของพระยานอย่างแท้ของพระพุทธเจ้าอืึไม่มีสองพระวาจาของพระพุทธเจ้าที่ตรัสออกมาแต่ละคำแต่ละประโยคนี่หนึ่งเนี่ยไม่มีสองนี่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาในโลกนี้ แต่และองค์เท่านั้นนี่ก็ไม่มีสองนี่เป็นคำแน่นอนตายตัวท่านดแสดง น, นะผมพูดถึงท่านดแสดงถึงเรื่องอริยสัจ ท, ที่ว่าน่นาจรวดสองเวทอีกมากมายนะคือความทุกข์มันเป็นมาอย่างถึงขนาดนั้นเลนะเพราะสมูไทยเป็นต้นเหตุท่านบอกคือทุกข์นี่เป็นตัวผล ไม่ว่าจะเกิดไปพบใดธาตุใดทุกนีกน้จะติดตามเพราะสมุทัยเป็นเชื่ออยู่ภายในจิตใจให้พระเกิดมาพบธาตุนั้นๆทันหลักและนอกจากนั้นาทานก็อธิบายถึงเรื่องมากมรรคเป็นเครื่องตัดก ร, รเป็นเป็นเครื่องบันทอนเป็นเครื่องสังหารมรรคถ้าเราจะพูดก็ทั่วไปก็คือความดีความชั่วก็หมายถึงพิเลสความดีก็หมายถึงมรรคหมายถึงน่ำแก่มีอันนี้เป็นเครื่องแก้กัน นะทุกก็ค่อยดับไปดับไปที่เรียกว่านิโรดนิโรธทุกข์ดับโดยขิ้นเชิงนิโรธก็เรียกว่านิโรธแสดงตัวเต็มที่เนี่ยเพราะอานาจของมากที่มีกําลังอยู่ก็ดังที่เคยอธิบายไว้แล้วอยู่ที่ตรงไหนนี่เราพูดถึงเรื่องอริยสัจที่ขั้นอธิบายอริยสัจนพระกายดีดุแปล น, นั่ น, นแปลออกมาอธิบายโหยน่าฟังมากเนี่ยถ้าหาน่าจะ จะรู้สึกถ้าจะรู้สึกตัวก็มันก็ควรควรจะรู้สึกแล้วเราไม่เคยคิ้นนายกับทุกความทุกความลําบากเพราะอำนาจของเจดิที่ทําพิษเรามานานแต่านา น, า น, านเรารู้เรื่องรู้ราวยิ่งกว่าจากักอันนี้ก็เป็นโาษนาของเราอย่างยิ่งอันหนึ่งเรายังรู้เรื่องรู้ราเรานั้นทัดเรานั้นวัวไหนที่จะไม่ถูกสิเนียนนี่ทรามานหัวใจ ทรมานกายเรื่องของกิเลสกองทุกข์เขาไม่รู้นะทนทุกข์ทรมานไปอย่างนั้นเรานี่รู้ด้วยเนี่ยมันต่างกันตรงนี้และสามารถที่จะแก้ไขตรอดถอนแล